بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ฮ والسلام على า ش ر ف ا ل ا ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى อ ل ه وصحبه น ج م ع ي ن رضيت بالله ربا و ฮ ب มมัดินวะลัยอัล م ฮิวะซฮ รั ر ชราล م สัต ي و รีว ل ส ن ริ ي ัมลิ ل ะพล ن ักด س ต ا มิลิสัน ق ์ย่กวะฮุ ا า ا ีอ ا ل ลอฮุม ن ่อินน่านาสอุลก์ م ินมันนาฟิ ا ันวริสกันทายิบันูงามัลล์มุต م คบลายาอับบ ا นอาลีมินอัลลอฮุมั่อฟก ه ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอสุบฮานะหัวตาละประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรานทุกๆ ท, ท่านนะครับอัลฮัมดุดลิลละวันนี้เราจะเริ่มอ่านกันในอายะที่109อายะที่109ู่ร อ, อัเาอ อันอามนะเป็นสุโรลำดับที่หกนะอยู่ในยุสที่7อายะที่109เนะครับเริ่มต้นอายะก็คือวะอ้อเกาะซามูบิลละวะอ้อเกาะซามูบิลลาฮิจัดดะไอมานิฮ ah ิมนะใครที่เปิด เจอแล้วนะทำดอดินละก่อนอื่นก็เริ่มซูรออัลฟาติฮะก่อนอัลลอฮบิลเลฮฺมินศชัยตันยุรรจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มะยุรรหิมไม่ได้ยิน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 อียาคาน عبدوا อียาคาน أستعين إهدى نصرة المستقيم صرّة الذين أنعمت عليهم غير ال ال ا ل م ُ و ب عليهم ولا الضالين. อามินอ้างอุบิลละฮ์มินะอิช ا ิยตานอิรรจิม ว่าก็สมบิลล ahi จากเเด่ إيمان นิ h i ل ลาอิน جاءتهم آ ي َ ة ٌ ل ل ه يؤمنن نبيها قل إن مال آيات عند الله وما َ يشعر ك ُ م أنها َّ إذا جاءت لا ي م ن و ن و َ ا ي ش ع ر م ْ أن ّ ه ا إ ل َ ا ء لا يؤمنون ونقلب أف ิด اتهم وأبصرهم ُ كما لم يؤمنوا به أول َ مرة ว فِي าُْุ ي ฟ ا ตِ ه ِ م น ي, ي, ي َ ع ْ م َมُห <ون> ن َ <ون> อ่ะมาดูความหมายนะครับวากอสซาโมบิ ل แหละอากอสซาโมแปลว่าขอสาบาน และพวกเขาเนี่ยได้ขอได้สาบานสาบานกับใครสาบานต่อลอซึ่งเคยนำเรียนไปแล้วว่าคนที่เป็นมุสลิมแน่นอนว่าสาบานต่อลออย่างเดียวไม่สามารถไปสาบานต่อสิ่งอื่นสิ่งใดไ ด, ได้แต่บางทีเราเห็นในอรับสาบานที่มีลักษณะสำนวนที่ยาวก็คือเป็นลักษเป็นคำพูดเช่น สาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระ อ, องค์ก็คือสาบานต่อลอเน่นแหละแต่มันเป็นสำนวนผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระ อ, องค์ก็คือขอสาบานต่อลอแต่พวกเราก็ใช้ตรงๆเลยก็คือว่าลอทีขอสาบานต่อลอแต่ลอสุบฮานาหัวตาและพระองค์ทรงสิทธิจะสาบานกับสิ่งใดก็ได้พระ อ, องค์สาบานกับการเวลาสาบานการเวลานี่ครบหมดเลยนะ เวลาเนี่ครบหมลเลยเวลาเย็นเวลาสายเวลาฝยัดเวลากลางคืนแสดงว่าอะไรที่อัลลอฮฺสุบบฮานะหุตตาลาทรงสาบานนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญสิ่งที่สำคัญกับพวกเราก็คือเวลาเวลาเป็นสิ่งที่เมื่อพลาดไปแล้วไม่สามารถเอาคืนได้นะครับพลาดไปแล้ววันนี้พลาดไม่ได้มาเรียนจะให้อาจารย์ย้อนเวลากลับไปสอนใหม่ไม่ได้แล้วพลาดแล้วพลาดเลย คำถามต่อมาว่าและคนที่เป็นพวกมุชริกีนเนี่ยเขาสาบานกับใครเขาก็สาบานกับล้อเหมือนกันในสำนวนนี้เนี่ยหมายถึงบรรดาพวกที่เป็นศัตรูกับล้อเนี่ยซึ่งเขาก็สาบานกับลนะ้อนะแต่เขาเป็นศัตรูกับนบีแล้วก็ทำชีริกต่อล้อเขาสาบานเขาบอกว่าและหากพวกเขาได้สาบานต่อล้ออย่างหนักแน่นเลวะจ่ า, จาดา ไอมานีหิมจาาดีนหมายถึงว่าถ้าเป็นการพูดก็พูดแบบเสียงดังะนะไม่ได้พูดแบบเบาๆพูดแบบชัดเจนให้เสียงดังเลยแปบลบตัว น, นี้ก็แปลว่าพูดสาบานอย่างหนักแน่นเลยอ่าคือพูดแบบหนักแน่นเลยสาบานแบบหนักแน่นเลยละอินจาอัจฮุมอัยตุลละยุมีนุนนบิฮาถ้าหากว่ามีสัญญาหนึ่งมายังพวกเขาแน่นอนเขาจะศรัทธา จะศรัทธาเนื่องด้วยกับสัญญาณ น, นั้นเลยถ้ามีสัญญาณมาเนี่ยเขาจะศรัทธาต่อรอดเลยซึ่งถ้าเราเรียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าถึงการสร้างนู่นสร้างนี่โอ้โหทั้งพืชฝนที่ไทยตกลงมาเนี่ยไม่ใช่สัญญาณหรอก็เย่อแย่ไปหมดตกลงมันจะเอาสัญญาณอะไรนะก็ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ก็เล่าให้หมดแล้วว่าพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรง ให้พืชมันเงยขึ้นมองเงยขึ้นมาจากแล้วก็ให้มนุษย์เราได้ เ, เป็นคู่ครองกันแล้วก็ออกลูกมาอัลลอฮ์บอกสัญญาไปก่อนหน้านี้แล้วกุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอินนามัอายาตุอินนามัลอายาตุอินดัลลอฮจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสัญญาทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้น นบีจะมาสะแสดงสัญญาณด้วยกตัวของท่านเองไม่ใช่มาจากใครมาจากอัลลอ์นั้นวยจีดาตดที่อัลลอ์ให้แต่รอแต่ท่านนบีแต่ละท่านก็มาจากด้วยกับอนุมัติของ AH. อัลลอ์อ่าเอาต่อมาว่ามาเยชัยรุกุมอันฮะอิดะจัตเลยุมีนูน จงกล่าวเทอมุฮัมมัดว่าแท้จริงสัญญาทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นและอะไรเล่าที่จะทําให้บกเจ้ารู้ได้แท้จริงสัญญาณนั้นเมื่อมันมาแล้วพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งสําหรับบุคคลที่หัวใจมันปฏิเสธอยู่แล้วคือตั้งทงมาแล้วว่าไม่เชื่อหรอกคือทุกวันนี้มันจะมีสองแบบนะแบบคนที่มาสนทนาเพื่อหาสัจธรรมถ้าอย่างนี้เรา เราต้องสอนต้องบอกอ่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมีแบบหนึ่งที่เข้ามากวนมันไม่ได้ต้องการจะอยากจะรู้อะไรหรอกแต่มาปว่วนแล้วก็ถามเพื่อให้เกิดไอ้คนถามไปถามมาไอ้คนตอบโมโหอ่ะมันมากวนจนกระทั่งเราหลุดโมโหไอ้แบบนี้เนี่ยต่อให้เราจะยกกี่หลักฐานกี่ร้อยต้นก็ไม่เชื่อนั้นเอ่อ เชฟผู้อิสลามตัเมียนะบอกว่าคนที่หัวใจอัลลอฮ์เปิดฮิดายะให้นะฮะดีสแค่บทเดียวนี่ก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่คนนี่หัวใจมันมืดบอดนะยกหะดีสสาเฮียไปร้อยต้นมันก็ไม่เอายกไปเฮอร้อยต้นสองร้อยต้นก็ไม่เอาก็คนมันไม่รับนะแต่ถ้าคนเปิดรับนะแค่บทเดียวทําแล้วดังนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีมันแค่คําอากาวอ้างว่า เอามาสิสัญญาณมาเดี๋ยวฉันจะศรัทธาก็ก่อนหน้านี้กัเยอะแยะไม่เห็นจะศรัทธาเลยนะก็เป็นแค่คำอ้างเท่านั้นอ่ะต่อมาว่นุก็ลิบูอัฟอีดาตะฮุมเนี่ยว่อบบซอรหฮุมและเราได้พลิกหัวใจของพวกเขาและดวงตาของพวกเขาคำว่าอัฟอีดาตรงนี้ก็หมายถึงความรู้สึกนึกคิดก็คือมาจากหัวใจ นะและก็สั่งไปที่สติปัญญาผมเคยอธิบายคําว่าสติปัญญาบางทีมันแยกแยะได้นะว่าอันไหนชั่วอันไหนดีแต่ใจมันปัถนาจะไปทำไม่ใช่ว่าสติปัญญาแยกไม่ออกแยกออกไอเ น, นี้ยไม่ดีรู้แล้วแต่ใจมันอดไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นใจเดี่ยมันเป็นนายของอวัยวะทั้งหมดนั่นแหละจริงมสมองน่ยคิดได้ไม่คิดไม่ได้แหละอรุณีอันนี้ไม่ดีบาป ชั่วแต่มันใจมันอดไม่ได้นั้นไอความรู้สึกตรงนี้ก็หมายถึงหัวใจครับอัลลอได้พลิกหัวใจของพวกเขาดวงตาของพวกเขาเช่นเดียวกับสิ่งที่เขามิได้ศรัทธาต่อสิ่งนั้นตั้งแต่ครั้งแรกสาลาห์มรอมตุลมิกาโตดังนั้นคนที่หัวใจมืดบอด โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยากมากอ่าแต่เราเนี่ยขอโทษนะเราก็ไม่มีเครื่องไปตรวจหัวใจนะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมแต่เอาล่ะทรงรู้ว่าหัวใจเนี่ยไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็ไปดูในประวัติศาสตร์ได้นะคนไหนที่เอาล้อประวิงเวลาไว้ตอนแรกนี่เป็นศัตรูของอิสลามอันดับหนึ่งเลยโอ้โหเป็นหัวโจกเลยแต่เอาล้อทำให้แค้วคาดไม่ถูกสังหาร และท้ายที่สุดเขาก็จะมามารับอิสลามแต่บางคนที่เอาลอจัดการเดี๋ยวนั้นเลยเช่นอบูจ่านอบูละฮับซึ่งอันเนี้ยเอาลอรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีชีวิตกี่ปีเป็นไงมันก็ไม่ศรัทธาหรอกฟิตูนอย่างเงี้ยอ่าอย่างไงมันก็ไม่ศรัทธาเอาลอลงเลยจัดการเลยแต่นางหินเนี่ยนางหินที่เป็นคนบัญชาให้ฆ่าท่านอัมซะภรรยาของอบูซุบยาน อันนั้นเน่เกือบจะโดนฟันอยู่แล้วแต่มันมีเหตุก่อนไม่ได้ฟันสุดท้ายอัลล์ให้นางหินรับอิสลามนะตอนหลังอ่ามีคนที่เป็นเคยทำไมเดียไว้แล้วก็ตอนหลังมารับอิสลามหลายคนพอ ร, รารูหัวใจของนางเนี่ยบันปลายสุดท้ายแล้วนางรับอิสลามอาลัลลอฮ์ก็ประวิงเวลาไว้เอาต่อมาและเราจะปล่อยให้บุเ ข, ขาเนี่ยระหีเร e ่ร่อนคำว่าระหีเร่ร่อนแปลว่าอะไร รู้จักไหมจ๊ะและเฮเลรอนแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีที่พักเลยไปเรื่อ ย, ไ ม, มมยไม่มีจุดหมายไปทางไม่มีหลักไม่มีแหลงคนที่ไม่มีหลักอากีด้าที่มันคงมันจะเฮโลาตามไปตามกระแสเขาว่าสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็่าเฮไปพร้อมเสื่อมหน่อยปับ๊บอีที่หนึ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าไปอีกแล้วและเฮเรรอนไปอยู่ไปเรื่อย แต่ถ้าคนที่มีหลักอากีได้มันคงใครจะว่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ฉันมีอัลละฮ์จบใช่ไหมอัลลอฮ์ Allah จะให้หัวใจเขาเได้เฮ้ร่อนไปเรื่อยมีคนคนหนึ่งเขาออกคลิปมาเขาประกาศตัวเขาเป็นกระเทยแหละอยู่ใต้เขาประกาศเลยว่าเขาไม่เป็นมุสลิมแล้วเขาลาออกเออเขาลาออกเพราะว่าอย่ามาว่าเขาเป็นกระเทยแขกเป็นกระเทยมุสลิมเขาลาออกเลยตอนนี้หนูได้กินหมูเรียบร้อยแลย้วเขาอ่ะ สงสารยากินว <ẩ towers> ันน ah. ันก็มีคนถามอาจารย์เห็นไหมถ้าบอกว่าศาสนาดีอทําไมพวกนี้ออกล่ะฉันก็บอกว่าแล้วมันออกไปขอไปออกไปทําอะไรล่ะมันออกไปทําเรื่องดีไหมคนที่ออกจะสนาอิสลามเนี่ยเขาออกไปแล้วเขาธรรมะธรมโมขึ้นไหมหรือออกไปทําสิ่งที่เป็นความชั่วชีวิตมันดีขึ้นไหมล่ะออกไปเด่ยกับอีกคนหนึ่งที่เคยทําชั่วมาก่อนแล้วมารับอิสลามชีวิตเขาดีไหมแค่นี้แหละ ไปถามไอ้คนที่มารับอิสลามก่อนนั้นนั้นมันชีวิตมันเหละเห ล, ล, ล, ลวขนาดไหนละเหยเรื่อร้อนขนาดไหนวันที่มารับอิสลามหัวใจเขานึ่งขึ้นไหมสงบขึ้นไหมสงบและไอ้คนที่มันอยู่ในอิสลามแต่เดิมแล้วมันออกไปเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงไปดูสิมันก็ไปยุ่งกับมัซยัดคานิดเละโลกินเหล้าเมายากระจายหมดเลยไม่ได้หมายความว่าพอออกไปเยอะจะกลายเป็นว่าของมนเนี่ยไม่ดีไม่ใช่มันต้องดูว่ามันออกไปทําอะไร เออมันออกไปทำอะไรพระถ้ามันออกไปแล้วมันทําเรื่องดีกว่าไปอย่างไม่มีอะที่ออกไปน่ะไม่ดีทักคนเนี่ยไปทําเรื่องที่เพราะว่ามันอึดอัดใช่ไหมอิสลามเดี๋ยวก็ต้องละหมาดเล้ยวเดี๋ยวก็ต้องทําความดีนูน่นความดีนี่มันอดไม่ได้ก็เลยออกไปอันนี้เราไปฟังก่อนแนะดังนั้นคําว่าละหีเร่ร่อนตรงนี้หมายถึงเรื่องจิตใจด้วยนะนั้นพุทมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องนะเ้ามีคําว่าอะไรยอมจำนนวันนั้นมีเชคคนหนึ่งพูดอยู่ในคําว่าอิสลามหมดเลยความสงบ ความอ่อนความอ่อนน้อมถ่อมตนการไม่เย่อหยิงเยอโสถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยจะอยู่ในจะได้หมดเลยความสงบการยอมจำนนความบริสุทธิ์ใจคิดดีต้องมีคำว่าอิสลามอยู่ในใจก่อนพอมีแค่ อ, อิสลามปับ๊บทุกอย่างมันจะตามมาหมดเลยพูดง่ายคือเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละนะอ้าวอ่านต่อนะครับ ยันอูนมีความหมายอันนึงก็คือหลงละเริงอ่าหลงละเริงละหละลิเลอดหลงละเริงไปอายะที่100 111้11นึ่อยสิาะ่าล้วอันนั้นนั้นนั้นจะนัยนิมุลมาลา อกว่าَ่าเَ ن อันนั้นเราจْได ا รับมุลมِลาอีกว่าَั้งที่มุลมาอัตต้าว์พัชร์น่าอัลลัยมุลลาอีกว่าทั้งที่มุลชอล مَا كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ชาอัลลอฮฺ ولكن أ ك ث ر ه ะ ي ج ه ا ل و อัลลอฮได้เล่าถึง นิสัยของพวกนี้ที่มาทําท่าทีขึงขังสาบานว่าถ้ามีสัญญาหนึ่งมาเนี่ยฉันจะศรัทธาแน่นอนอลัลลอฮ์เลยบอกต่อว่าว่าเราอันนานาและหากแม้ว่าเราดีนะก็คืออัลตุกอัลก็คืออัลลอฮ์อันนาแนนซาลนาอิเลยฮิมุลมาไลกาและหากแม้ว่าเราได้ให้มาไลกาเนี่ยลงมายังเขาเลย อามาเลกาเนี่ยลงมาทําหน้าที่บอกโดยตรงเลยคือมาเลกาเนี่ยยิบบรีเนี่ยมามาหานาบีมุฮัมมัดนําวาฮีลงมาแล้วนบีมุฮัมมัดทำหน้าที่เอาวาฮีเนี่ยมาเผยแพร่ส่งต่อเอาแ ล, ล้าบาวบอกว่าต่อให้พระองค์นี่นะถามว่าพระองค์สามารถจะทําได้ไหมทําได้ให้มาเลกาโดยตรงเลยไม่ผ่านนับีเลยมาบอกวาฮีและมาฮูมุลมาตาหรือให้บรรดาคนตายพูดกับพวกเขา ไอ้ที่ตายไปเห็นชัดๆเลยแล้วก็ให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาสอนพรองค์ทำได้มั้ยทำได้นะคุลล์ลไซอินคูบุลละมากานูลิยุมีนูอิลละไอยาชาอัลลอฮ์และเราก็ได้รวบรวมทุกสิ่งเอาไว้เบื้องหน้าพวกเขาเอาทุกสัญญาณเลยที่แกขอเมื่อกี้แค่สัญญาเดียวเอาเราบอกรวบรวมทั้งหมดไว้เบื้องหน้าทั้งหมด เอาแล้วว่ไงมาการูลิยูมนูใช่ว่าพวกเขาจะศรัทธากันก็เท่านั้นแหละก็ไม่ศรัทธาอยู่ดีอิลลัยยาชาอัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นนะแต่ทว่าวะเลกินแต่ทว่าอักซารอฮุมยะจฮาลูนแปลว่าอะไรส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นคนที่จะเฮ ก็คือไม่รู้าจะหลุนนี่แปลว่าโง่เขลาเบาบัญญานะครับเป็นคนโง่ดังนั้นคนที่ฉลาดนะครับเขาก็จะใครควรพิจารณาเอ่อครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนไปถามคนที่มารับอิสลามเขาเป็นคนดังด้วยนะเขามารับอิสลามเขาถามว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนศาสนา เขาตอบประโยคสั้นๆเขาบอกเขาไม่อยากตกนรกโอ้โหเขาบอกแรงไปปะเนี่ยก็ไม่แรงเขาบอกไม่ไม่แรงนะเขาก็บอกว่าเขาคว้าว่าจะแรงไปคือคลิปเนี่ยมันเผยแพร่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยน้องไหมเขาก็เขาก็ตอบตรงๆอ่ะคนแบบคล้ายๆแบบคนที่ตามเขาจะรู้นิสัยเขาอย่างนี้แหละเขาบอกเลยว่าทําไมคุณเปลี่ยนศาสนาเขาเขาไม่อยากตกนรกไง เขาก็อธิบายต่อว่านรกของแต่ละความเชื่อเนี่ยมันก็มีก่อนหน้านี้เขาก็เคยเชื่อเรื่องนรกแต่มันมันไม่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งกันเยอะเดี๋ยวออกมาจากนรกเดี๋ยวก็มาต่อมาเกิดใหม่อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันจะขัดแย้งกันเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มาจากเอาล้อเป็นศาสนาที่มนุษย์คิดขึ้นน่นะมันก็ย้อนแย้งกันหมดแหละ แค่นั้นเองสมมติจะคุณจะไปตั้งลัฐที่ไหนก็นแล้วแต่เป็นความที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าอ่ะ <_' a> มันก็หมดมันก็จะย้อนแย้งกันป <_' a> นกันไปปนกันมาไม่มีคําตอบแต่อิสลามคือทุกอย่างมันเมคเซนต์ทั้งหมดแปลว่าสามารถที่จะมีคําตอบและเข้าใจได้เขาบอกอิสลามตอบโจทย์ที่สุดแล้เพราะพื้ศาสนาที่แท้จริงเขาว่างันก็ต่อวิวาเขาไม่ได้ถ้าไม่แท้เขาจะมาเข้าไหมล่ะแสดงว่าเขาศึกษามาหมดแล้วแล้วมาเจอว่านี่คือคําตอบที่ชัดเจน ปรากฏว่ามีคนมาเขียนข้างล่างบอกว่าไงบอกว่านารกก็ไม่มีรอกสวรรค์ก็ไม่มีรอกตายไปก็จบแล้วแค่นั้นแหละคนเราเกิดมาใช้ชีวิตแล้วก็ตายมีคนเขียนอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh, คนมากดถูกใจเพียบเลยคอมเมนต์กดถูกใจกับคําพูดนี้ว่ามันไม่มีจริงเราเป็นเรื่องมนุษย์อโอปรุขึ้นมาเพื่อจะให้คนกลัวนู่นกลัวนี่มีคนเคยถามเชฟ ค, คนหนึ่งที่ทําหน้าที่แบบนี้แหละว่าถ้าเกิดตายไปแล้วแล้วไปเจอว่ามันไม่มีจริงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เลยเนี่ย เขาบอกก็ก็ก็คือเหมือนเดิมไม่มีก็ไม่มีก็เหมือนเดิมแต่เขาเชื่อว่ามีไงแต่ถ้าพวกคุณละ่ะแล้วตายไปแล้วมันมีจริงะ่ะแล้วคุณจะทำไงก็ลงนรกไปสิเออแต่เขาดีคือเสมอเดเค้าเรียกว่าเท่าเดิมไงถ้าถ้าความทฤษฎีคนเป็นจริงก็เท่านั้นแต่ว่าแน่นอนว่าเราเป็นคนที่ทำความดีอยู่แล้วเราก็ทำความดีแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขของเรา แต่แน่นอนนะมุสลิมเชื่อว่าไม่มีไม่ได้นะเราเชื่อว่ามีแต่เรากำลังบอกกับคนที่เขาไม่เชื่อคุณกับผมเนี่ยถ้าไปบ้านปลายชีวิตของคุณถูกสมมุตินะของคุณถูกเนี่ยก็ผมก็เฉยๆไงก็ไม่มีก็ไม่มีไงแต่ถ้ามันมีขึ้นมาแล้วคุณทําไงอ่าคุณจะเดือดร้อนไหมเอาเดือดร้อนสิดังนั้นเอาปลอดภัยไว้ก่อนไหมลองมาศึกษาอิสลามดูก่อนไหมก็ทำดีละนะคนนั้นก็มารับอิสลามคราวนี้อลัลลอฮ์บอกว่า ต่อให้จะเอาสัญญาณอะไรก็มาก็แล้วแต่จะให้คนตายขึ้นมาพูดหรือจะเอาเมริกามาสอนแต่พวกเขาเป็นคนที่จะฮหหัวใจของเขาปิดแน่นอนว่ามันก็องมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรและต่อมาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เป็นอายะห์นึ่งนะในสุรษร์อัลบียาอายะห์ที่ยีสามอัลลอฮ์บอกว่าเลยุสอาลูอัมเมย์ฟอลูวาหุมยุสอลูนอัลล์บอกว่าไง พระองค์ไม่ถูกสอบสวนในสิ่งที่บรุรุษกระทำอัลลอฮ์ไม่ต้องตอบไม่ต้องต้องมาถูกมนุษย์สอบว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ทำอย่างนี้นทําไมอัลลอฮ์ไม่ทำอย่างนี้นทำไมอัลลอฮ์ไม่ไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะต้องไปสอบอัลลอฮ์แต่มนุษย์ต่างหากที่จะถูกสอบว่าทําตามบัญชาของอัลลอฮ์หรือเปล่าดังนั้นสอบบ้าในยุคแรกๆในยุคต้นเนี่ยไม่ต้องถามว่าทําไม เมื่อนบีสั่งเมื่ออลัลลอฮ์สั่งทำเลยส่วนไอทำไมตรงนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของฮิกมาวิทยาปัญญาเพราะบางเรื่องมีวิทยาปัญญาชัดเจนเดี๋ยวนั้นแ ล, ล้วอัลลอฮ์บอกเลยบางเรื่องอลัลลอฮ์ไม่บอกแต่ให้มนุษย์มาคิดค้นเจอทีหลังบางเรื่องยันกิยามัตอลัลลอฮ์ก็ไม่บอกหรอกแต่ไปเจอไอทีวันกิยามัตรู้เลยว่าไอที่ทำเนี่ยมัาดีไง แต่ได้นอนที่อัลลอฮ์ไม่บอกเพราะอะไรเพราะต้องการดูว่าใจมนุษย์เราเนี่ยมันมีเหตุมันมีมันมีมันมีอะไรที่ไปย้อนแย้งไหมถ้าเป็นบาวที่แท้จริงเป็นบาวที่ยอมซีโรราบต่อรอบเมื่อพระองค์สัง่งทำทันทีโดยไม่มีข้อแมนะดังนั้นหลายหลายคนเนี่ยจะใช้เหตุผลอิสลามเป็นศาสนาที่มีเหตุผลจริงครับถูกต้องอิสลามมีศาสนาที่มีเหตุผลแต่อิสลามไม่ได้ให้เรา ใช้ข้ออ้างมาทำผิดละเมิดศาสนาบางคนก็ทำผิดศาสนาแต่ใช้ขอ้อข้ออ้างไม่ใช่เหตุผลอ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อจะทำบาปอันนี้ไม่ใช่นะแต่อิสลามให้เรายอมซีโรราบยอมจำนวนและปฏิบัติตามนะครับ อ, อ่านต่อนะคราวนี้จะมาบอกแล้วว่าทำไมมนุษย์มันถึงดือ้อดือเพราะอะไร นะและไอคนดีมันก็จะมีไอคนไม่ดีเนี่ยมาคอยตามล้างตามผานะ น, นะเออมันเป็นเรื่องที่คู่กันนะเร า, าจะเล่าในอายะที112่หนึ่งร้อยสิบลรอิบสาวกได้กระจายนกุลนบีอัลอดูวะชัยอตีนอินซีวลจิน ยูพิบัติหุ่มอิละบัติรุฟะล์กอร์รุรา ع ูพิบัติหุ่มอิละบ و ติรุฟะล์กอร์รวลช أَرَبُّكَمَا فَعَلُوهُ وَلَوْشَأْ َ ول ر َ ب ُّ ك َ م َ ا فَعَلُوهُ ف َ ذ َ ر ه ُ م ْ وَمَا يَفْتَرُونَ و ا ل i t a s o إليه أفئد الذين لا يؤمنون بالآخرة วะลียรบูหวะลีย์ตาริฟูมะฮุมอัตตาริฟุนวะลียรบูวะลีย์ตาริฟูมะฮุมอัตตาริฟุนอ่ามาดูความหมายว่าแกแยิกะเละในทานองนั้นแหละ และในในอะไรเขาแปล ง, งนี่นะกาเะกะเะนี่แหละนั่นแหละในในแบบนี้แหละและในทาและในดังกล่าวนั่นแหละอ่าก็ได้และในดังกล่าวนั่นแหละแม่ภาษาและในดังกล่าวนั่นแหละอันนาเอาเราจะบอกไงว่าทำไมมันจะต้องมีคนมาตอคอยทดสอบอ ي มานเราด้วยเกินเอาเราจะส่งมาทดสอบ إ ي มานเรา ก็เพราะชีวิตเดามันไม่ได้โรยด้วยกีบดอกไม้อ่คนสมัยก่อนดูหนังเนาะคนสมัยก่อนดูละครถ้าละครไหนไม่มีนางอิชาดูไหมไม่ดูหรอกมีแต่พระเอกอย่างเดียวเลยพระเอกกับนางเอกอย่างเดียวไม่ดูอะต้องมีนางอิฉามีแหละตัวสร้างสีสันยิงตัวอิชาเลวเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยคนติดกันงอมแงมสมัยก่อนนะสมัยพวกเรานี่ไม่มีแล้วเราดูเรื่องจริงเราไม่ดูเรื่องก็หกหมวกก่อนเรื่องก็หก สมัยก่อนในอีชานเนี่ยมาเดินซื้อของตลาดนะโดนนะเมื่อคืนไปตบนั่งเอกเขาทำไมเขาเล่นละคร น, นี่ก็นึกเป็นจริงชีวิตเราก็เหมือนกันแหละบางทีมันก็มีอุปสรรคบ้างภรรยาเราวันไหนพูดจาดีอธิมี้แล้ววันไหนแกขึ้นมาก็นั่นแหละเาลารถทดสอบสอบบัรเยอะๆชีวิตคนเรามางนี้แหละมันถึงจะมีรสชาติเไหม คิดในมุมนี้ด้วยอย่าคิดมุมแค่ว่าโอ้โหฉันทําอะไรไมาเยอะทําอะไรทําไมอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์รักไงอัลลอฮ์จะทดสอบถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาคิดว่าไงเป็นกรรมเป็นเวนเป็นเวนกรรมมาตั้งแต่ไม่รู้จํากันนึกไม่ออกมันก็นแหละไ ม, ไม่รู้จากไหนตังไหนแต่อิสลามไม่ใช่อิสลามคือบททดสอบในโลกนี้แหละไม่เกี่ยวกับโลกไหนหรอกเพราะเราเกิดมาโลกนี้ ว่ากละจนาลกุลนับียินอาดัวเลดังกล่าวนั่นแหละเราก็คืออัลลอ์ได้ให้มีศัตรูขึ้นแก่นบีทุกคนเลยนบีทุกคนมีศัตรูหมดนะและศัตรูเจียวๆท้งนั้นน่ะนบีมูซาเจอฟิรูนคู่ประกบเห็นไนบีเบรอฮีมเจออะไรนำรูดโอ้โหระดับตัวเป้งเท่านั้น นบีมูฮัมหมัดเราเจออาบูจหันกาบูละฮับไออาบูจหันนี่ก็คือฟิตรองค์สมัยนบีฉายามันคือฟิตรอูค์สมัยนบีอาจจะเป็นใกล้ๆชิดนั่นแหละตัวครอกครกันี่แหละนบีทุกคนมีศัตรูหมดนะดังนั้นเป็นนบีโอ้โหดีจังเลยเป็นนบีแต่ว่าอย่าลืมนะมีศัตรูนะ กลับมามั่งคนที่เป็นโตคูไม่ต่อถึงนบีเอาโตคูดีแหละคิดว่าสอนไปแล้วจะมีใครดา่าเนอะเออเยอะสิแค่ไม่อ่านแค่นั้นแหละอ่านแล้วจิตตกปล่อยมันอยา่าก็มีอยู่แล้วคนด่าเราเยอะแยะอแต่ถ้าไม่ดา่ามีมีคนไม่ถูกด่าลเลยนะคือคนไม่ทําอะไรเลยอืมีม่แถวบ้านฉันเรียนจบมาไปสอนหนังสือสักกระตูนหนึง่งไม่ถูกด่าลเลยแกเดินไปกินบุญอย่างเดียว ไม่มีใครด่าสักคนหนึ่งก็ไม่สอนเลยอะ่ะใครจะไปด่ามันเอาไงเราจะเอาแบบไม่แบบอยู่แบบนี้เหรอคนไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่ถ้าทําปับ๊บมีทั้งคนเห็นดีกับคนที่เห็นไม่ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าทาไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ไมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอา้าต่อมานาบีนอุดดัวในทํานองนั่นแหละ เราได้ให้มีศัตรูขึ้นแก่ น, นบีทุกคนและศัตรูนี่คืออะไรใครเป็นศัตรูคนดีไหมคนดีเป็นศัตรูกับ น, นบีป่ะไม่ใช่คนดีจะเป็นศัตรูกับตัวครูไหมไม่ใช่หรอกเขาบีจะเห็นดีเห็นงามกับตัวครูใช่ไหมไอ้คนที่เป็นศัตรูกตัวครูก็แสดงว่าเป็นคนคนละฝั่งอ้าวว่าไงชายช า, ยาตีนชายาตีนเป็นย้ำของชายตอนชายตอนในตัวเดียวชายาตีนก็หลายเลยบรรดาชายตอนทั้งหลาย และชัตอนเนี่ยไม่ได้มีแคร่รูปแบบของจินอย่างเดียวมีชัตอนที่เป็นอินส์ก็คือมนุษย์ด้วยมนุษย์ที่เป็นชัตอนมีไหมมีมนุษย์ชัยตอนที่เป็นจินมีไหมมีแต่เอาซ้อนเดิมของชัตอนก็คือมาจากมันจะยินแต่ถามว่าเฮ้ยไอ้นี่ในแหม่มันชัตอนเดินได้เว้ยก็พ <s> ูดได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเอานักษณะของชัตอนเนี่ยมาปฏิบัติ มาเป็นศัตรูนะกาบอัลลอ์มาศัตรูกับนบียูฮีบาดูฮุมอิลาบาดินนะ uh uh um โดยบางส่วนของพวกเขาก็จะกระสิบกระซาบกันในบางส่วนมันกระซิบกันไปกระซิบกันมานั่นแหละคุยกันเน่อ่ามึงทำชั่วสิพี่น้องรู้ไหมตอนหลังจากสงครามอูฮุดนะบานีนาดิรซึ่งเป็นยว เผ่าที่เผ่าที่สองะเผ่าที่หนึ่งกอยนุกาะจัดการไปแล้วเผ่าที่สองบดีนาดิสเผ่าที่สามกุไรโ อ, อไอบดีนาดิสเน่วางแผนเลยล่อนาบีลวงนาบีไปให้ไปนั่งอยู่ริมกำแพงเคยเล่าแล้วแหละแล้วลมันก็วางแผนให้คนคนหนึ่งก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเป็นคนเป็นบนบนหลังบ น, บน บ, น, บ, น, บ, นบนบ้านเนอะแล้วก็ทุ่มไอเครื่องโมแปงเครื่องโมแปงเป็นหินทุ่มให้ใส่หัวนาบี และนบีนัน่งกันหลายคนนบีมีอบูบากมีอุมัดแล้วก็มีซอบานนบีอีกและพวกนี้ก็มานั่งอยู่ด้วยความที่มันมันวางแผนเนี่ยมันก็ถอนมาทีละคนทีละคนเหลือเฉพาะกลุ่มนบีก่อนที่มันจะให้คนไปเอาก้อนหินไปทุ่มใส่นบีนะนะคือเล็งหัวเลยกะจะาตายเลยนะมีคนในหมู่พวกเขาเตือนเขาบอกเฮ้ยอย่าทำเลย เพราะถ้าทำาอะไรเนี่ยนบีจะใช้ข้อนี้แหละในการว่าพวกเราละเมิดสัญญาแล้วก็นบีก็จะจัดการพวกเราสิไม่ฟังอีกคนหนึ่งบอกว่าไงยังไงเอาล่อช่วยอยู่แล้วเดี๋ยวมาริการ์กมาบอกเกดทำไม่สำเร็จหรอกนบีนบีมีมาริการ์มาบอกอยู่แล้วสุดท้ายมันไม่ฟังจริงๆเนะมันก็มีคนหนึ่งคิดเอา แบกเครื่องขึ้นไปไอแบกหินขึ้นไปจะไปทุ่มใส่นบีรู้ตัวนบีก็ดุ๊กออกมาเลยพ่อมาดิก้ามาบอกซอบ้างงนบีนี่มันจะมาเก็บสตางเขาไม่ใช่เหรอทำไมลุกออกไปนบีก็กลับไปถึงก็ประชุมพลเตรียมเตรียมกองทัพเลยจัดการเลยรู้แล้วดังนั้นในในตรงเนี้ยกําลังจะบอกว่าคนที่คิดไม่ดีกันนบนบีมันก็จะกระสิบกระซาบกันให้ทําส่วนคนจะมาห้ามยังไงมันฟังไหมไม่ฟังหรอก มันจะเชื่อเฉพาะไอ้เสียงกระซิบกระราบให้ทำแต่เพชั่วเอ่อเอาต่อมาบอกว่าไงเละพวกนี้มันจะแต่งเติมตกแต่งคำพูดกูรูรอให้เป็นคำพูดที่ลวงลวงเอามาลวงเอามาหลอกคือใช้คำพูดอันสวยหรูทัวนี้ คนที่เป็นผิดผิดเพศนะเขาก็บอกว่าเขาเป็นมีความมีความคิดแบบเจริญแล้วเป็นคนเจริญเนี่ยประมาณเนี้ใครที่ยังคิดว่าต้องมีสองเพศเนี่ยเป็นคนล้าหลังคนโบราณอ่าคนสมัยใหม่นี่ยมันต้องไม่กาหนดเพศแล้วอะไรก็ได้แอบยพยายามประดิษฐ์คำพูดมาให้ดูดีดูหรูแอบให้เท่าเทีย ม, ยมประมาณนี้นะจริงๆไม่ใช่ วัลชาอารบบูกมาฟาลูและหากว่าพระพวยบางของเจ้าเนี่ยทรงประสงค์แล้วแล้วก็ฟาุมวามายตรูพวกเขาก็มิอาจจะกระทำมันขึ้นมาได้อจริงไหมล่ะคุณจะคิดชั่วอะไรก็แล้วแต่นะถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ หรือความความแผนการคุณเนี่ยเพื่อรอดช่วยเหลื อ, อยังไงก็ทําไม่ได้นั้นคนที่จะต้องทําลายอิสลามจ้องจะฆ่าคนไม่คนดีต่างๆอบางครั้งก็สำเร็จนะไม่ใช่ว่าไม่สาเร็จนะเช่นนบีสักริยาเคยเล่าไปแล้วนบีสักริยานี่โดนเยฮูดเลื่ อ, อยต้นไม้นี่เข้านี่สีข้างนี่ตัวขาดสองท่อนพอต้นไม้หักมาก็ตัวนบีอยู่ในต้นไม้ก็โดนเลื่อยเลยเออ อันนี้นบีนบีสะกัฎิยาหนี่ถูกฆ่านาบียะยาถูกตัดหัวนะแต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์จะช่วยเหลือก็ใครก็ทําร้าย น, นไม่ได้นะเหมือนกันพวกเรล่าซบาบะที่ได้เสีหิดก็อัลลอฮ์เตรียมรางวัลไว้ให้เตรียมรางวัลไว้ให้อ่นานบีกไ็ได้ได้รับรางวัลอยู่แล้วนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าไอ้คนคิดร้ายมันจะมันไม่ถ้าถ้ามันไม่อัลลอฮ์ช่วยเหลือมันก็ไม่สำเร็จ เอาต่อมาเจ้าจงปล่อยพวกเขาฟาซาลฮุมให้ปล่อยพวกเขาไปกับสิ่งที่เขาอุปโลกขึ้นมาขึ้นมาไปเถิดก็คือเป็นการปลอบใจน บ, บีนะพี่น้องคือบางคนเนี่ยมันมันก็เกินกว่าเยียวยาไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ก, ก็ต้องบอกทางใครทางมั น, น เ, เป็นการ ปอบใจน บ, บีด้วยคนที่มันดื้อมันก็ดื้อย่งผมมันยังวันยาคข้ามนั่นแหละวอลิตัสกออิลฮีอัฟอีดดตุลดีลายุมีนูนบิลแาคิร์และเื่อให้และเพื่อให้หัวใจของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันบรโลกจะได้น้มเอียงไปสู่คำพูดที่ตกแตง่งที่ถูกที่ถูกตกแตง่งให้สวยงามและเพื่อให้พวกเขาจะได้มีความพึงพอใจในคาพูดนั้น และพวกเขาก็จะทำในกระทําในสิ่งที่พวกเขาทําเป็นผู้ที่กระทำกันอยู่ก็คือเขาก็จะพยายามพูดให้มันดูดีหวานล้อให้มันดูดีทั้งๆ ท, ที่มันเป็นความชั่วนะแต่พยายามพูดให้มันดูดีแล้วก็จมอยู่กับคําพูดแบบนั้นและก็ไม่มีทางที่จะอะไรมีมีทางที่จะเห็นสัจธรรมได้ นะครับคำว่าอัฟิดาตัวนี้การรวมถึงสติปัญญาและการเชื่อฟังลียาตเดาเขาแปลว่าเพื่อให้บุเขาได้พึงพอใจชอบและต้องการมันและก็ไม่เชื่อในวันอาคริร์อ่าคือคการทำความชั่วเนี่ยมันก็มีคนที่เรียกร้องไปสู่ความชั่วเยอะแยะเลยนะเออแต่เขาพยายามตกแต่งคำพูดไงอา้าวต่อมานะครับจ อ, อ่านต่อนะอายะที่ร้อยสิบสี่กับร้อสิบห أَفَغَيْرَ الله أ َ ب ت غ ج ي حكما وهو الذي أنزل إلي ك ُ م الكتاب ََ م ف ص َّ ل ا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ م ِّ من من ر رَبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تقولن ن َ ا ل مم ترين َ ل ا تقولن ن َ ا ل مم ترين وتمت ك ل م ة ُ ر ب ّ ك ص ِ د ق و َ ع د لا ลามุบดิลลิคัลิมัติฮีวะฮูวะซามิุลอัลอาลิมอามาดูความหมายอาฟาไกรรัลลฮَอาบะตะจีฮักเมา อื่นจากอัลลอ์กันนั้นหรือนะอื่นจากอัลลอ์กันนั้นหรือที่ฉันจะสแสวงหาผู้ที่ชี้ขา ด, ดหลายๆคนชอบคำพูดคำพูดสวยหรูนะะเดี๋ยวนี้มันจะมีคนที่เขามาเขาเดี๋ยวมาโคชโคชโคชก็หมายถึงเป็นกำกับอะเหมือนกับคล้ายๆคนเล่นกีฬาเขาจะวางแผนใช่ไหม อันนี่กองหน้านะอันนี้กองหลังวางแผนก็มีอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นสมัยใหม่อ่าเขาเหมือนกับว่ามาโค้ชชีวิตให้ชีวิตคุณเนี่ยมีเป้าหมายอ่าวางแผนให้ชีวิตคุณสมัยก่อนมันก็มีเขาเกไปปรึกษาคนที่เขาทำหน้าที่วางแผนครอบครัวนะเออเขาก็มีนะเจ้าหน้าที่วางแผนครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยมีโค้ชอยู่แล้ว ก็คืออิสลามมัเป็นโคชศา ส, สนาเราเนี่ยวางกฎระเบียบไว้อยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรมีเป้าหมายอยู่แล้วคุณเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออิบะดาต่ออัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์และจินมาไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเพื่อให้มนุษย์และจินนั้นทำอิบะดาเคารพพักดีต่อพระองค์นี่เรารู้เป้าหมายก่อนอ่า แล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ยากเลยก็คือปฏิบัติตนให้อลลอพึงพอพระทยัยทายังไงล่ะก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอหห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามแค่นี้นะแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราก็สอบบัดอดทนอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺมันก็ไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนเกิดขึ้นมาแล้ว แก้ไขอะไรได้ไหมไม่ได้กอดาร <Çok S 1> <tr bueno. S 2> ุนล้อกอดอกอดัตกอดอเลอกาหนดไว้กอดัตก็ตามกําหนดนะก็แม่เอลเลอกําหนดไว้แล้วกอดอแล้วก็มาเกิดขึ้นก็เป็นกอดัตกอดัตก็คือเกิดขึ้นเนี่ยจากที่เอาเลอกําหนดเวลามันเกิดขึ้นแล้วก็บอกกอดารุนล้อเอาเลอกาหนดมาแล้วทํำอะไรไม่ได้ก็มันเกิดแล้วไงจะไปทําอะไรได้แต่ก่อนที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดูอาสิ ขอดูอาจะเปลี่ยนกอนดัสขออัลลอฮ์ดูอาจะมายับยัง้งไอ้สิ่งที่เป็นบาลาต่างๆไปดันนะไว้ก็แค่นั้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วก็ขอดูอาให้มันพ้นไปเช่นคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นแล้วทำไงขอดูอาให้ Allah อัลลอฮ์เยียวยารักษายังไม่เป็นก็ขอดูอาให้อัลลอ์ผลักโรคร้ายออกไป นะหรือเป็นแล้วก็ไม่รู้นะบางทีไม่รู้เหมือนกันเป็นนียอมปังเป็นไม่รู้ตัวก็มีนะไม่รู้นะฉันว่าเป็นไม่รู้ตัวกับรู้ตัวเนี่ยบางคนก็บอกว่ารู้ตัวดีอาจารย์จะได้รักษาฉันเห็นไอ้ที่รู้ตัวเนี่ยสุดตลอดแหละไอ้ที่รู้ตัวในส่วนใหญ่จะสุดไอ้ตอนไม่รู้ตัวเนี่ยโอ้โหสลายเริงเลย พอไปเจอหมอหมอบอกเป็นมะเร็งทันนั้นแหละออกมาเนี่ยเลิกเลยที่จะไปเที่ยวไหนตอไหนนะจบเลยหน้าเปลี่ยนสีชีวิตอมทุกทันทีก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะรู้ก่อนดีหรือว่าไปรู้อีกทีหนึ่งก็คือถึงอายันไปเลยกว่ากันไปแต่ <laughs> จ, จริงนอนเจ็บนอนเจ็บก็เป็นเรื่องดีนะทำไมอ่ะอัลลอจะอะไรนะ ลดลดความไม่ดีลดบาปแต่มันเป็นภาระลูกหลานไงเรื่องของเรื่องอ่ะ <c oughs> มันเป็นภาระลูกหลาน <c oughs> อ่าหลายๆคนไม่อยากจะนอนเจ็บอ่าคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้หรอกเราไม่รู้หรอกเราลอ็อกําหนดมาแล้วเนาะแต่ขอดูอาอ่โาโรคภัยไข้เจ็บใครจะไปวางแผนได้อ่าปีหกสิบเป็นมะเร็งแล้วกันเนาะอ่าปีหกสิบสองโรคหัวใจอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้หรอกก็ขอดูอาไปก็นี้กําลังบอกกับพี่น้องว่า เ, เราจะเอาชีวิตเนี่ยไปฝากเอาไว้หรือไปดมเนินตามแนวทางอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไอคนที่มันมาบอกเรามาสอนเราขอโทษนะบางทีชีวิตมันก็ไม่ได้ไดเรื่องหรอกแหมมาอุตส่าม์มาไล้โคตดกลับไปดูทะเลาะ ก, กับผัวอยู่เลยแหมมาไลคสุาพมี <laughs> สุดท้ายแล้วกลับเอามาเรื่องเอามาว่าอิสลามเราสอนอยังไงดีกว่าดูสินบีเราทำยังไงนะเอาอิสลามมาใช้นั่นแหละชีวิตเราก็ไม่ต้องไปหา คำตอบอย่างอื่นแล้วอิสลามของฉันให้อิสลา่าชีวิตของฉันให้อิสลามนำทางอื่นจากอัลลอ์เนี่ยเราจะไปหาไปเสวงหาผู้ที่ชี้ขาดอีกเหรอบาปกระบุญเนี่ยถามว่าใครเป็นคนกำหนดละ่ะมนุษย์บอกเหรออันนี้บาปอันนี้บุญอัลลอ์บอกอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สิ่งที่ผิดนะแต่มันอาจจะขัดกระใจเรามันน่าจะถูกน้ะอาจารย์ ก็มันผิดจะจะทำยังไงล่ะตอบให้มันถูกหน่อยสิก็ขอมันผิดจะให้ตอบเป็นถูกได้ไงฮกามาว่าฮวัลีอันลไลกุมุลกตามูฟัซลทั้งทั้งที่อัลลอฮฺเนี่ยได้ประทานคำพีก็คือกุรานให้กับพวกท่านและในสภาพที่มูฟัซซัลมซซลตัฟซีแปลว่าอะไรไรู้มแปลว่ามีรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้แบบคู่มือแบบอ่านสอบรรทัดจบ สมมติเราไปเจอคู่มือใช้ไฟฟ้าก ด, นะกดปุ่มเปิดเวลาจะปิดเครื่องชักปัก๊กเขียนแค่เนี้ยแล้วก็ไอทิปปุ่มที่เหลือทําไงวะเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยไอเจอคู่มือแบบนี้โยนทิ้งเลยไม่เหมือนมีคู่มืออะไรแต่กูร่านบอกหมดตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนวิถีชีวิตเรื่องอากีด้าเรื่องปฏิบัติบอกหมดและแถมให้นบีมาทําให้เป็นรูปธรรมอีกละหมาด ย, ยังไงนบีทําให้หมดละเอียดไหมละ่ะละเอียดหมดเลย والذين آتينهم الكتاب يعلمون أنه منزل من, من ربك بالحق และบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขานั้นและบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่แพวกเขานั้นก็คือรอซูลเขารู้ดีกว่ า, ขททวาเขารู้ดีว่าขอโทษทีไม่รู้ก่อนเขารู้ดีว่าแท้จริงกุรอานนั้นถูกประทานลงมาจาก พระพุทธบาลของเจ้าด้วยความจริงนะเจ้าอย่าได้อยู่ในผู้ที่สงสัยเป็นอันขาดฟรั่งแตกูนแนนแนมีแนนมุมแตรีนอย่าได้อยู่ในผู้ที่สงสัยเป็นอันขาดนะครับอ่านั้นผู้ที่ศรัทธาหนึ่งในหลักศรัทธาของเราหนึ่งนั้นต้องศรัทธาต่อคัมภีครับศรัทธาต่อหล่อซูนบรรดาหล่อซูนบรรดาคัมภีนะครับ เอาต่อมาว่าตัมมัตและถ้อยคำจากพระผู้พิบาลกาลิมาตูรอบบิกาตัมมัตแปลว่าอะไรตัมมัตแปลว่าครบถ้วนสมบูรณ์แลว้วต้องไปหาแนวทางอื่นมาเสริมไหมชีวิตฉันยังไม่สมบูรณ์พอต้องหาแนวทางอื่นมาเสริมด้วยไม่ต้องถ้ามีสลามปุ๊บจบเลยสมบูรณ์ทันทีแต่ถ้าไม่มีสลมไม่สมบูรณ์น่ ชีวิตคุณก็หาไปเรื่อยอ่แต่เมื่อมีอิสลามปั๊บไม่ต้องการแนวทางหนึ่งแนวทางใดแล้วครบแล้วจบแล้วซิดดอกวาอัเดแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นค่อยคำที่มีสัจจะแล้วก็มีความยุติธรรมอิสลามยุติธรรมไหมยุติธรรมนะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอัลลอะ์กำหนดแต่ละอย่าง เรื่องมรดงมรดกทุกอย่างกําหนดไม่หมดทรงยุติธรรมนะให้ผู้ชายดูแลผู้หญิงให้ผู้หญิงอยู่ในใกล้ใต้าการดูแลของผู้ชายให้ผู้หญิงตออัดต่อสามีแต่เหตุที่ต อ, อัดต่อสามีเพราะว่าสามีก็ต้องเลี้ยงดูภรรยา ม, มันก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันไอ้ทุกวันนี้ที่ภรรยาไม่ค่อยต อ, อัดสามีก็เพราะว่าสามีก็ไม่ค่อยเลี้ยงดูภรรยาไงเข้าใจยังมาถึงขึ้นหัวได้เนี่ย เอ่าก็เมียหาเลี้ยงผัวไม่ให้เมียไ ม, ยมย่ขึ้นหัวไงนึกออกไหมคือถ้าอยู่ในกฎของศาสนาบอกเน่ะไม่มีปัญหาหรอกสามีดูแลรับผิดชอบภรรยาก็ต้องอยู่ในอนัดเชื่อฟังอยู่แล้วนะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะสอดคล้องกันลูกเลี้ยงพ่อแม่อ่าพ่อแม่เลี้ยงลูกพอชารามาลูกก็มาดูแลพ่อแม่คราวนี้มันมันไม่ผิดเนะี่ยไปติดกระดุมผิดอะมีลูกไม่เลี้ยง พอมีลูกไม่เลี้ยงพอแก่ไปลูกมันจะเลี้ยงเราไหมล่ะก็ตอนตอนเขาไปเด็กเราไม่เลี้ยงเขาพอโตมาแล้วมันจะเลี้ยงเราไหมมันก็สลับไปไปหมดหมัวไปหมดนั้นสิ่งที่เราเลิลกําหนดมาเนี่ยมันมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะใครที่ไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยกับอิสลามมันก็จะชีวิตมันก็จะวุ่นวายไปหมดเราไปสังเกตดูนะไอชีวิตที่มันบ้านจะร้อนเน่ยไม่ใช่ร้อนอากาศนะบรรยากาศมันร้อนเนี่ยคนมันจะ ถ้าทะเลาะกันจะตีกันเนี่ยก็พพมาเดม่ไดอิสลามมาเข้ามาในบ้านมันก็ร้อนอย่างนั้นแหละแต่ถ้าในบ้านมีอิสลามคุยกันด้วยกับภาษาศา ส, สนาบ้านก็สงบมีความสุขลูกก็รักภรรยายก็รักครอบครัวก็เป็นครอบครัวนะครับเอาต่อมาแลมูบัดดีแลกอรีมาตี ไม่มีผู้ใดจะเปลี่ยนแปลงบรรดาถ้อยคําของพระองค์ได้เข้าใจอย่างอันนี้แปลว่ากฎชารีอะห์อิสลามมีใครจะมาเปลี่ยนได้ไหมไม่มีพันสี่ร้อยปียังไงทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมอัลลอฮ์บอกดอกเบี้ยฮารอมทุกวันนี้ก็ยังฮารอมยังไม่มีใครบอกว่าฮารานแล้วนะไม่มีมันยังฮารอมเหมือนเดิมนั่นแหละซีน่าทุกวันนี้ก็ยังฮารอมสมัยนะบีฮารอมยังไงสมัยเราก็ฮารอมเหมือนกัน เล่าสมัยนบีฮารอมยังไงทุกวันนี้ก็ฮะรอมเหมือนกันกระเทยสมัยก่อนบาปยังไงทุกวันนี้ก็บาปเหมือนกันไม่มีใครมาเปลี่ยนหรอกเพราะศาสนาของเราไม่ได้มาจากมนุษย์ไงมันมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดนั้นมนุษย์หน้าไหนจะกล้านั้นใครก็ แ, แต่ที่เปลี่ยนกฎของอัลลอฮ์กาเฟตตกศาสนาเลยมุตตัดไปเปลี่ยนบอกเล่าฮะล้านนะดอกเบี้ยฮะล้านนะนี่แสดงว่าเปลี่ยนกฎหมายของอัลลอฮ์ มีหน้าอะไรไปเปลี่ย น, ยนกฎหมายขอรับเบนมนุษย์ห น, น้ามนุษย์มีแต่ทําตามอย่างเดียวนั้นกฎหมายของอลอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่นิดหนึ่งนะพี่น้องนะมีแต่ว่ามีข้อผ่อนปรนคําว่าไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้หมายถึงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่มีข้อผอนปรนสาหรับคนที่เกิดความจําเป็นเช่นหมูมันทารอมแต่ถ้ามันติดคอขึ้นมาไอ้เวรจะติดคอเล่ามันทารอมแต่ถ้ามันติดคอ ม, มันไม่มีน้ําอะไรแล้ว มีอยู่แก้วหนึ่งก็สดไปเพื่อจะให้มันหายติดคอนี่ได้นะเกิดความขับขันเดี๋ยวจะมีอีกระยะหนึ่งที่เอาลอบอกนะเอามาพูดก่อนอ้าต่อมาอ่านต่อวะหววเสมีนารีมพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินและผู้ทรงรอบรู้ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีผู้ใดที่จะเปลี่ยนถ้อยคำของพระองค์ได้และพระองค์นั้นเป็นผู้ได้ยินและผู้ทรงรอบรู้ و َ إ ِ ن ت ُ ط ِ ع ْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ อียต تبعون إلا الضن وإنهم إلا يخرسون อียต تبعون إلا ا, إ ل ض و ن ه إلا يخرسون อินน บะกะฮ์ว่าอัลเลมِุัยย اظ ลَอัَสบิลินนรับบะกะฮ์ว่าอัลเลมุมัยย اظ ลุอัِสَ ه ُ و ว أ َ ع ว ل า م ُลِ ا มْบُ ه ม ت َตِด ن َ มาดูต่อนะเอลเล์บอกว่าว่าอินและหากว่าอินตัวนี้แปลว่าหากว่าและหากว่าเจ้าเนี่ยเชื่อฟังเชื่อฟังใครต่ออาคำว่าวต่ออาตรงนี้ตัวเตี้ยแปลว่าเชื่อฟังอักซาร์มันฟิลอเชื่อฟังคนส่วนใหญ่ส่วนมากในแผ่นดินอย่าลืมนะว่าสุรนี้ ถูกประทานลงมาก่อนที่นบีจะอพยพซึ่งในเมืองที่เป็นศัตรูกับนบีเลยก็เมืองมักกะใ น, นเละมีอยู่สองเมืองนะที่ต่อต้านเลยหนึ่งก็คือมักกะเมืองที่นบีเกิดอันที่สองก็คือเมืองที่เราไปชอบไปเที่ยวกันบนภูเขาต่ออีฟสองเมืองเนี้ยส่วนเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยัสริปหรือว่ามาดีนนะเป็นเมืองที่ตอบรับนบี กร็ระยะที่ที่อะไรนะที่ต่อต้านอิสลามมากๆก็คือเมืองเมืองมะ ก, กาเนี่ยแหละเมืองนินาบีเกิดอาแลบอกว่าและหากว่าเจ้าเนี่ยไปเชื่อฟังคนส่วนใหญ่ซึ่งในตอนนั้นคนส่วนใหญ่เป็นใครเป็นพวกที่กราบไหว้บูชาจเจวิตเป็นบุคคลที่เป็นยาฮิลียะเอาคําเอาการกระทําของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก ถ้าเราไปยึดคําพูดของคนส่วนใหญ่อันนี้เอามาใช้กับบ้านเราได้นะเพราะบ้านเราเนี่มุสลิมเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ในประเทศเขาไม่ใช่และเราจะไปยึดตามคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ไหมในเรื่องของศาสนาไม่ได้เราต้องยึดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเฮโลกันไปกับฮโลหรือแม้กระทั่งในสมัยที่ซุนน่าเข้ามาเผยแพร่ใหม่ๆ อ่ายังมีบางยังมีการกระทําบางอย่างที่ผิดหลักการศาสนาแล้วเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาทํากันมานานเลวเรามีคนส่วนน้อยเราก็ต้องตามเขาไปไม่ใช่ไอการหวั่นตามเขาเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องถูกต้องเลยนะถึงจะตามได้ถ้าผิดตามไม่ได้เหมือนกับกรณีฉันเคยบอกกับเรื่องอิหม่่มนั่นแหละอิหมั่มเขาจะละหมาดดีขนาดไหนแต่เขาละหมาดมะกะเด็บสีเรกากะฉันก็ตามไม่ได้หรอกแม้อ่านยังเพาะเลยโออ่านโาหูยังดีเลยแต่เขาละหมาดสีเรากะจะไม่ตามอะมะกะเด็บอะไรมีสีเรากะ ถูกไหมดังนั้นอย่าได้ปฏิบัติตามคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินตรงนี้หมายถึงการกระทําที่ไม่ถูกนะถ้าคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินทําถูกเช่นมาอยู่ในเมืองมาดีนะแล้วเนี่ยอันนี้มีปัญหาเพราะกลายเป็นส่วนน้อยแล้วไอ้คนทําทําทําถูกเยอะกว่าค น, คนทําผิดมีส่วนน้อยมันก็ต้องอยู่ว่าบริบทของสังคมนั้นเป็น ย, ยังไงอ่ายิ่งปัจจุบันเนี้ย คนที่จะยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมมันเหลือมันเหลือน้อยแล้วนะคนไม่รู้กับคนรู้อันไหนเยอะกว่าพี่น้องคิดว่าคนไม่คนรู้กับคนไม่ยุอันไหนเยอะกว่าคนไม่รู้ในเยอะกว่านะอย่าคิดว่าคนรู้เยอะนะลองไปเดินสัมผัสตามในบ้านดูสิเข้าไปในซอยดูเนี่ยไอ้คนที่ยังไม่รู้ศาสนารู้แบบงูปานะรู้แบบละเอียดรู้แบบชัดเจนเนี่ยมีไม่เยอะหรอกอ่าเอาี่พูดตรงๆ คนที่จะรู้ศาสนาจริงๆคือต้นคนที่ใยเรียนใยรู้ไอ้ประเภทดองวิชาไว้ตั้งแต่ฟันดูอีนะ่ะดองไว้กันแหละอหมไม่เพิ่มไม่หาเพิ่มเลยฉันจบชั้นหกแล้วฉันจบแล้วเนี่ยไอ้แบบนี้พี่น้องถือว่ายังไม่รู้จริงถ้ารู้จริงต้องเรียนไปไเรื่อยเรียนไปไเรื่อยนะครับดันั้นคนที่จะรู้ศาสนาเนี่ยมีมีไม่เยอะหรอกรู้รู้แบบดีรู้จริงๆนะดังนั้น อัลลอฮ์บว่าถ้าหากว่าไปเชื่อฟังคนส่วนมากของแผ่นดินซึ่งในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยยูดินลูกาอนซาบีดิล่ะพวกเขาก็จะทําให้เจ้าเนี่ยออกหรือว่าหลงทางก็ได้แปลว่าหลงทางดอลลาลออกจากหลงทางของอัลลอฮ์ไปได้พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามอินตาบิอียะตาบิอูนอิลลัลซอนพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากซอนซอนแปลว่าอะไร คิดเองคาดคะเนนเองดาเอาเออคิดศาสนานี่ไม่ต้องคิดเองนะมีตัวบทมาแล้วจะไปคิดเองทําไมอะ่ะเออไปตั้งศาสนาเองเหรอศาสนาคิดเองไม่ได้คิดเอาไม่ได้ต้องยึดในตัวหลักฐานเป็นหลักอ่าสาไม่ได้นะส า, สาเอาไม่ได้ยอนไงย้อนก็เป็นสิ่งอะไรที่มันไม่แน่นอนอ่ะยอนจริงไม่จริงกันไหมรู้คาดคะเนนเอาศาสนาต้องชัดเจน ถูกผิดชัดเจนอันไหนไม่ถูกว่าไม่ถูกอันไหนผิดอันไหนถูกว่าถูกว่าอินหุมอินลาเอครุซูนและพวกเขาก็ม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากการที่วกเขานั้นคาดคณีเอาคําว่าเอยครูซูนนี่หมายถึงอะไรเขาคาดคณีเอาคาดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ของเราใช้คาดไหมไม่ใช่คาดของเราอย่กินเลยมั่นใจเลยว่าตายไปมีนี่ น, น, นี่สองสามสีเ่เราไม่ได้คิดว่ามีไม่มีนะเราเชื่อเลยว่ามีแน่นอนตายไปปั๊บเจอมาเจอ มริกามาสอบสวนแน่อินนารบะกะหัวอาและมุไมยาดิลตัวตัวยาฟันทายดิล <c oughs> แท้จริงพระปร่วยบาลของเจ้าคือผู้ที่ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ที่กำลังหลงไปจากพระองค์อันซาบีลิวะหัวอาและมุบิลมุฮตะดีนและผู้รู้ ดียิ่งต่อบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำคนที่ได้รับทางนำอัลลอฮ์รู้ไหมรู้คนที่หลงทางอัลลอฮ์รู้ไหม ร, รู้รู้ทั้งหมดเลยใครที่หลงทางอัลลอฮ์ก็รู้ใครที่อยู่ในทางนำอัลลอฮ์ก็รู้นะครับอยู่ในการอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเอ่อตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระองค์เพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงบันเกิดมนุษย์มานะ อีกหนึ่งอายะได้มั้ยอ่าสองอายะเลยนะถึงร้อยสิบเก้านะครับฟะกูลูมิมมาดุกีรสมุลลอฮลัยฮิอินฺกุตุมบิอายาติฮีมุมิน กุมอ l ล a h ตะกลูมิมมาดุกิรัมุลลอฮีอาไล ว่าก็ได้ฟ้าซَลَลุคุมมาฮ์รมาอาไลคุมอินลามัตุริรตุมอิไล و َ إ ِ ن َّ ك َ ث ِ ي ر ً الَّا يُضِلُّنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ อินนั้รับบะกะหัวอัลลัมบิลมุฮตะดีนอินนั้รับบะกะหัวอัลลัมบิลมุตดีอ่าดูให้ดีนะก่อนหน้านี้เอ่อก่อนหน้านั้นน่ยมีมุมุตะดินอันนี้มัว แตดีนมีฮาอยู่ก่อนหน้านี้รอยสิบหกเนี่ย ว, วะฮะอลมูบิลมุตัดีนสว่วนนี้วะฮุอินนารับบกะฮอะอลมูบิลมุตัดีนคนละคนละความหมายกันเลยพี่น้องอมาดูความหมายนะเฟัรกูลูนบิเออร์ร์าบอกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงกูลูแปลว่าบริโภคกิน อากาละแปลว่ากินจงบริโภคจงกินจงกินอะไรจากสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวออกมาบนมันเถิดเรื่องอะไรเนี่ยให้กินบนสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวบนมันเรื่องของการเชื่อดสัตว์ส่วนไอที่เรากินอาหารบิสมิลละอันนี้ กล่าวเป็นซุนนานนอาบีให้เรากล่าวถ้าไม่กล่าวก็ไม่ได้หมายถึงว่ากินไม่ได้นะกินยัง ก, กินได้เพราะขอมาหลาล้านแต่เราไม่ได้ปฏิบัติในการกล่าวบิสมิลลาเพราะว่าเมื่อกล่าวบิสมิลลาเชตตอนมันก็ไม่มายุ่งกับเราถ้าเราไม่กล่าวปั๊บเชตตอนมากินกับเราด้วยคราวนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเชื่อดสัตว์และไม่กล่าวพระนามของอสัตว์ที่ถูกเสือด น, นั้นกินไม่ได้แล้วก็พี่น้องนะ วันก่อนฉันไปไปที่ฟาร์มวัวมาไปดูเรื่องไปดูเรื่องวัวนี่แหละเขาบอกตอนนี้มีเนื้อเนื้อเนื้อระบาดไม่ใช่เนื้อเมื่อก่อนมันมีท้องหนังจอบเป็นเนื้อเนื้อหมูไม่เอามาแช่เลือดวัวตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นเนื้อวัวแท้ๆเลยแต่เป็นวัวที่ตายแลย้วก็เอามาชําแหละขาย ข้อสังเกตของมันก็คือว่าโละไม่ถึงร้อยบางทีร้อยกว่าถูกมากบางทีรู้ว่าวัวร้อยยี่สิบอโลหาที่ไหนวัวร้อยี่สิบวัวสองร้อยอับอันนี้เราไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะแต่คนนี้เขาทาเนื้อเขาบอกว่าน่าสงสัยเพราะวัวเป็นกับวัวตายนี่ราคาต่างกันวัวตายแล้วมันเชื่อนี่ราคา แล้วก็เขารู้นี่มุสลิมเราทําฟาร์มเนี่ยถ้าวัววัวตายไปเลเี้ยนี่เคิร์เขาทิ้งอย่างเดียวเพราะมันเป็นซากสัตว์แล็กก็มีบางคนไปไปไปมองไปมองว่าอุ้ยมันทํากําไรได้ก็เอามาแล้วก็ามาขายนั้นอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เตือนกันว่าน่ากลัวขนาดจะนไปซื้อหน้าโรงเนี่ยสองร้อยเลยนี่ไปเชอถูกกว่า200ร้อหญก็เออยกเว้นไปเศษเนื้ออีเรื่องนะถ้าปเป็นเศษเนื้อไดอเรื่องเหมือ น, นเนื้อเนือดีดเลยอุ้ยทไมมันถูกจัง แล้วก็มีไอ้ลูกชิ้นเถื่อนอีกอ่าลูกชิ้นเถื่อนอีกอ่าเอาไอ้เนื้อวัวตายดิเลไปทําลูกชิ้นลูกชิ้นก็เลยถูกเลยไม่มีตาไม่มีอะไรกินก็นอร่อยที่ไหนได้วัวตายอันนี้ด้วยความรักเราไม่รู้ไม่เป็นไรนะเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นข้อสันนิษฐานเป็นเป็นข้อหนึ่งที่เขาที่คนนี้เขาเตือนมาบอกว่าระวางังนิดนึงถ้าจะทานไหนบางทีไม่ผ่านมาตรฐานอะไรเงี้ยโอกาส ในการเป็นลูกชิ้นเถื่อนก็นมีแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไปทำนะโดนจับกันอยู่เนี่ยอ่าเป็นลูกชิ้นปลอมนะครับจงก่า <laughs> จงบริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวออกมาบนบนมันเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อบรรดาอายะห์ของอัลลอ์อ่ะอีอายะห์หนึ่งบอกว่า วามาละกุมอัลละตะกูลูมิมมาซุกิรอสมุลลอฮีอละดูต่อนะและมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากันนั้นหรือที่พวกเจ้าจะไม่บริโภคสิ่งที่บรร nam ขออล่อถูกกล่าวบนมันทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์บอกแล้วอันไหนกินได้อนไหนกินไม่ได้อันไหนฮารอมเช่น ซาสัตว์สัตว์ที่ถูกเชื่อดโดยการเอาไปบูชาบนแท่นยันอย่างนี้ห้ามสัตว์ที่ตายเองนะอ้าวต่อมานอกจากอิลลามะตุริตตุ้มอีไลเว้นแต่เกิดในภาวะคับขันเท่านั้นถ้าคับขันกินได้และแท้จริงมีคนมากมายที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิด ไปด้วยกับอารมณ์ไฝ่ต่ำของพวกเขาโดยปัสจาความรู้อ่าเขาบอกต่อว่าโดยเท้จริงอัลเลอ์นั้นเป็นผู้ทรงผู้ทรงผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ที่ละเมิดทั้งหลายเดี๋ยวผมขอคนในเน็ต น, นะไม่มั่นไม่มั่นใจเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวผิดถ้าลืมใช่ไหมกรณีดืมเนาะอ่า ว่ามีข้อยกเว้นไหมถ้าลืมกล่าวทั้งทงที่คืออย่างนี้นะทุกวันเนี้ยอันนี้คนนี้ก็ทำารงงานหาล้านเข้ามาบอกฉันนะไก่ที่เขาเชือดเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เชือดแบบนี้แล้วมันมีเครื่องแล้วมันหาล้านได้ไง <c oughs> คือก่อนที่เขาจะเอามาเชือดเนี่ยเขามีการทำให้มันสลบ ถ้ามีการช็อตนิดนึงช็อตให้มันสลบแต่มันยังไม่ถึงตายและก็เชื้เพราะว่ามันเป็นเครื่องอ่ะมันเป็นเครื่องเดี๋ยวเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาเขาตอนที่เขาจะกดเขาก่อดบิสมิลลาแล้วก็มันเป็นอัตโนมัติอาทีเดียวเลยยันลันเลยบิสมิลลากดปุบแล้วก็แล้วมันจะเชื้มันจะช็อตก่อนมันช็อตเนี่ยให้สลบไม่ถึงตายเพราะว่าไอ้คนที่เขาไปตรวจเขาไปตรวจก่อนว่าถ้าตายเละมันเชื้กินไม่ได้ อันนี้มันเป็นตามเทคโนโลยีนะคือเขาไม่ไหวมาเชื้อติดตัวเราเพราะวันหนึ่งส่งออกเป็นหมื่นตัวเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวไก่เนี่ยที่มันเป็นโรงงานนะถ้าสมมตทนที่เขาเลี้ยงเองเขาเชื้อเองอยู่แล้วแต่ถ้าไปซื้อไก่ตามโรงงานเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ฉันบอกเนี่ยแล้วก็หาล้านเขาก็จะไปตรวจที่เขาไปตรวจหนึ่งไอ้ขั้นตอนของการที่เอาไปช็อตก่อนเนี่ยถึงขั้นตายไหมถ้าช็อตแดงไปไก่ตายแล้วมาเชื้อกลายเป็นไยิ์อ่าอันที่สอง ระบบสะอาดต่างๆคนที่ทําเครื่องคุมเครื่องจักรเป็นมุสลิมไหมอะไรไหมนี่แหละซึ่ง อ, อพอเราเองพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายก็ให้พิถีพิถันเท่าที่ทําได้นะไม่ต้องไปละเอียดขนาดนั้นบางทีละเอียดมากไปกลายเป็นเรื่องลําบากเหมือนกันโอ้ยต้องไปดูเขาขนาดนั้นเอาแค่ว่าเราดูแลไม่มีเหตุอะไรที่ที่มันจะเป็นของฮาลอมก็ถือว่ากินได้นะ มีคนถามว่าน้ำปัน่นผลไม้เนี่ยถ้าไม่ใช่ร้านมุสลิมกินได้ไหมเออชว่วนี้มันร้อนนี่บางทีเดินเดินไปจะไปหาร้านไปหาร้านน้ำปัน่นจะไปเห็นหน้องจอกน้องจอกแต่สบายมุสลิมทั้งนั้นแหละแต่ที่พูดไปในเมืองโอ้โหเราจะเป็นลมอยู่แล้วเจอน้ำปัน่นผลไม้ชื่นใจเว้ยทำไงเขาก็บอกดูสิว่าไอ้น้ำปั่นในพวกนี้ยคุณก็ดูสิพิจนาดูว่ามันมีวัตถุดิบอะไรที่มันฮารอมไม่เค้าเอามาใส่ไห ม, ไมก็เป็นผลไม้นั่นแหละก็ใส่น้ําตาลใส่นม ก็ไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรพี่นาดูแล้วก็คนเดี๋ยวนี้เขาสะอาดดีวนะเขาใส่ถุงมงสถงมือใส่อะไรก็กินได้ไม่จำเป็นถึงขั้นว่าต้องไปซื้อ้ด้มุสลิมอย่างเดียวคือฉันนึกบอกว่าบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าถ้าเป็นมุสลิมได้มันดีอยู่แล้วดูน้องจอกเนี่ยเอาหลอน้ําผลไม้มุสลิมทั้งนั้นแต่ถ้าคนนี้ก็ไปอยู่ในเมืองเขาไปซื้อของโอ้ยจะเป็นลมอยู่แล้วไม่เอาเดี๋ยวมันไม่ฮาลาดูแลผลผลไม้มันก็ไม่มีอะไรนะซื้อมาฝากไปกินแต่ก็บอกว่า เอาเท่าที่ว่าเราพิจารณาดูสิว่าเออมันไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมที่มันจะเป็นของทารอมเพราะว่าฉันเคยบอกว่าอซ้อนเดิมของของกินคือฮาลานไว้ก่อนสันนิษฐานว่าฮาลานไว้ก่อนจนกว่าจะเจอว่ามันทารอมถึงจะไม่กินเดินเดินมาเจอปั๊บใ ห, ให้ให้สัน น, นิษฐานด้วยฮาลานต้องบอกให้ได้ว่าไม่กินเพราะมันทารอมพ่ออะไรแต่ถ้าเราชูบฮัตอีกเรื่องหนึง่งไม่มั่นใจก็อีเรื่องหนึ่งก็ทิ้งไปชุบฮัตก็คือมีข้อสงสยัยลังเล เพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันเพิ่งเกาก้นมาแล้วมันล้วงมันมียูทูบเบอร์หนึ่งเขาก็ไปถ่ายเนาะถ่ายไอ้เป็นคล้ายๆเป็นเป็ น, ปนอาหารอย่างหนึ่งอะที่กินมือแล้วก็ต้องปรุงด้วยกับมือพอเขากินเสร็จปั๊บเนี่ยก็ถ่ายอยู่หลังร้านแกก็กำลังกินเขาบอกแหม่รสชาติอร่อยเลยพอดีไอ้กล้องมันจับไปไอ้นั่นมันล้วงเข้ามาในกางเกงพอดีแล้วมันก็มาเสร็จปุ๊บ ม, มก็มาทาต่อ เขาก็เลยบอกแม่ดูแล้วจุดชาดมืออร่อยอย่างนี้เองเออนะนะอะไรทํากับมือเนี่ยต้องสะอาดนิดนึงล้างอะไรให้เรียบร้อยอเดี๋ยวผมขออนุญาตขอในเน็ตนะแล้วตอบให้เบื้องหลังเบื้องตอนหลังนะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับอ้าวจบยังจบแล้วนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเออเราจะบอกถึงเรื่องของการเชื้อดที่ไม่ฮาลันนะครับแล้นี้เชื่อทารานก็คือเชื้อดโดยการกล่าวพระนามขอรลอซึ่งพวกมุชิกีนเนี่ย เขาเชื่อดสัตว์ทั้งไปเชือดเอาอสัตว์ตายมากินเขากินเละหมดเลยแต่มุสลิมเรากินสัตว์ที่ตายเองไม่ได้ต้องผ่านการเชือดนะก่าวพนามขอละสุบฮานนะกอลอฮุมมาบิฮัมนิกาชดวาเลาอีลาฮิลาตัสตัฟุรุกาวะตูบิราอัลสลามอในกุมรอฮมัตุลลอฮ์ฮุวาลกัตุ